พ้น牟ทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องจับประสูตรเป็นประสูตรที่ทรงสแสดงเรื่องการให้ทานกับอนิสง์ของการให้ทานมีข้อความในตอนต้นว่าพรหมามชื่อวัดเจโคตได้เข้ามา ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามถึงเรื่องที่คนข้างนอกก็พูดกันว่าพระเจ้านั้นทรงสันเสริญการให้ทานแก่พระองค์และสาวกของพระองค์ตั้งไปบอกว่าการให้ทานแก่พระองค์เท่านั้นมีผลมากการให้ทานแก่สาวกของพระองค์เท่านั้นมีผลเนาะมีผลมาก การให้ทานในที่อื่นนั้นถูกปฏิเสธไปแต่ว่าจ้คดเองก็สงสัยว่าที่เขาไปพูดกันเช่นนั้นน้มันจริงหรือเปล่าหรือเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในเรื่องที่ไม่จริงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนที่นำไปพูดเช่นนั้น เป็นการกล่าวตู่ถวพระองค์ในเรื่องที่ไม่จริงและคนที่ไปห้ามปรามคนอื่นซึ่งเ็าจะให้ทานแก่แก่ใครที่ไหนก็ตามชื่อว่าเป็นการทำลายคนสามฝ่ายคือหนึ่งทำลายต่อผู้จะให้ทานที่เรีขกถ่ายยกเป็นการขัดขวางทางบุญของคนเ่านั้น แล้วเป็นการทำลายผลประโยชน์ต่างๆที่ปฏิกา6หกคือผู้รับก็จะได้แล้วทำลายตัวเองคือขุดตนเองจากความดีในขณะที่คนอื่นเขากำลังทำความดีแล้วไปขัดขวางเขาตัวเองนอกจากไม่ทำแล้วยังไปขัดขวางความดีของบุคคลอื่น เป็นการปฏิบัติที่ขุดรากถอนโคลนความดีภายในใจตัวเองถึงอาจจะเกิดจากความริษยาความโลภความสนิอะไรก็ตามพระเจ้าว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องการให้ทานแก่คนลูทั่วไปหรอกแม้แต่ว่ามีสัตว์มันไปติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในท่อน้ำในไร่ไร คนเกิดใจเมตตาสงสารสัตว์เอาน้ำเทลงไปเพื่อสัตว์ได้อาศัยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทานแล้วก็เป็นบุญและตอนต่อมาก็รับสั่งว่าแต่ไงก็ตามเมื่อกล่าวถึงผลบุญเมื่อกล่าวถึงผลบุญที่บุคคลจะได้รับเนี่ย เราก็กล่าวสนเสริญทานที่บุคคลให้แก่ผู้มีศีลไม่สนเสริญทานที่บุคคลให้แก่บุคคลผู้ทุศีลแต่ผู้มีศีลที่ทรงแสดงในที่นี้ต้องใช้คาว่าละองห้าประกอบด้วยองค์าหมายความเป็นคนที่ปฏิบัติสามารถขจัดนิวรณ์หรือว่าลดความรุนแรงของนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้ และในส่วนของตนเองก็เป็นสมพูดสมบูรณ์ด้วยองค์ห้าหรือประกอบด้วยองค์ห้าก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสนะซึ่งเป็นเนื้อหาหลักนะฮะของธรรมะปฏิบัติจะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าสารธรรมหาบ า, บางทีเรียกบางทีเรียกว่าธรมาารมะขันห้า ในที่นี้ก็ส่งใช้คบว่าคุณธรรมทั้งห้าประการหลังจากนั้นก็สรงสรุปเป็นประคาถาคือสรุปความว่าแม่โคมันจะสีอะไรก็ได้แต่ลูกโคที่มีกำลังมีเรี่ยวแรงแสู้งานฝึกปือได้ดี จนเป็นโคที่มีค่ามันเกิดจากแม่โคได้ทุกสีอ่ไม่เจอดจงว่าจะต้องเป็นสีด้านสีนีส้สีนั้นบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันหรือไม่เจอดจงว่าจะเกิดในวัฏ น, นาอะไรแต่คนใดที่ฝึกตนได้ดีอบรมตระเด่นอบรม้อบรม ต, น, รมตนได้ดีมีจิตใจที่มั่นคง ประกอบด้วยฮิริโอตปะเป็นหลักใจคนเหลานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีแล้วในสุดก็ส่งสรุปถึงคุณสมบัติของตักินยาญ บ, บุคคลคือคนที่มีคุณธรรมสมบูรณ์ก็ได้แก่พระหันต์ประเด็นที่เราน่าศึกษาประเด็นแรกก็คือว่า ในโลกมันก็เป็นอย่างนัง้นเองที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์หมดจดขนาดนั้นแต่มีคนแอบใส่ร้ายยเรื่อยนะแอบป่าวหาแอบใส่ร้ายแอบใส่ความสารพัดตลอดประชนมรชิพไม่เคยปกติ เพราะลักษณะตรงนี้ที่ทรงวางหลักเอาไว้ว่าคืออย่าไปใส่ใจตรงใช้คำว่าวิโล ม, มานิคือคาที่ปราศจากอย่างอายของคนทั้งหลายรู้สิ่งที่ทำแล้วและไม่ได้ทำของคนโลกอื่นแต่สนใจใส่ใจในเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตัวเอง หรือปัญหาสําคัญมันไม่อยู่ที่ใครว่าเราทําอะไรหรือเราเป็นยังไงแต่ประเด็นที่สําคัญจริงๆก็คือเราทําอะไรและเราเป็นอย่างไรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เราได้จริงๆบางครั้งคนเราไปอ่อนไหวหแก่คําพูดคําจาคําตําหนิีิเตียนของคนนั้นคนนี้คนนู้นหรือแม้แต่ข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ เราก็เชื่อเป็นตุเป็นตะเอาว่าเรื่องนั้นต้องจริงอย่างนั้นต้องจริงอย่างนี้ต้องจริงอย่างน้นทั้งที่เป็นการพูดของคนอื่นว่าคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้คนน้นทำอย่างน้นเราไม่ดูเขาทำจริงหรือไม่ตอนนี้มีลักษณะอย่างนั้นท่านวัดชโชคอตเป็นพรามที่มีชื่อเสียงท่านก็ไปได้ยินมา ว่าคำสอนอย่างนี้ค่อนขังจักจักรดปฏิเสธการทำทานที่คนอื่นทั้งหมดแล้วยกย่องว่าให้ทานแก่พระองค์กับสาวกของพระองค์เท่า น, นั้นจึงจะมีผลมันน่าสงสัยว่าจริงหรอือจะเจ็ว่าคำกล่าวหาใส่รายลักษณะนี้มาพูดอะไรมาเกินจริงไปเรื่อยเพราะเป็นการพูดด้วยอคติในเจตนาที่จะทำลายล้าง แต่ก็ดีนะะแกสงสัยแกไม่เชื่อแกสงสัยก็วิธียคราการการจะคลายข้อสงสัยก็ต้องสืบสาวไปถึงที่มาของของเรื่องนั้นๆเราต้องการจะคลายถ้าไม่ต้องการจะคลายก็ก็ไม่สนใจไปเลยเพราะว่า คำพูดของคนแม้ในเรื่องเดียวกันในคนคนเดียวกันและในกรณีเดียวกันจะพูดตามความรู้สึกซึ่งมันมีความแตกต่างกันวันวิธีการสืบเสาะที่จะแก้ไขข้อข้องใจแบบว่าจะโคตรจึงเป็นหลักว่าจะแก้ข้อข้องใจมันก็ต้องสืบสาวไปถึงที่มาจริงๆริงพุทธเจ้าก็มีพระองค์อยู่ก็พอไปเฝ้าลองถามดูก็แล้วกัน กูเจ้ารับสังว่าการกล่าวเช่นนี้เป็นกล่าวตู่คือใส่ร้ายโรงเป็นการกล่าวข้อความที่ไม่จริจงประการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการทำลายคนดีเดียวสามคนคือทำลายกุศลและเจตนาที่เขาตั้งใจจะทำบุญกรณีอย่างที่เคยพบในบางพระสูตรที่เคยล่าให้ฟังว่า อกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นต้องการจะทําความดีเนี่ยไม่จะทําได้ตลอดมันเกิดขึ้นแล้วนี่ส่วนใหญ่มันทําไม่ได้เพราะจิตจะถูกปิดกัน้นด้วยกระแสของอกุศลหรือมีเงื่อนไขปัจจัยของการเวลาของบุคคลหรือของตัวเราเองนะฮะแล้วเราก็ทําไม่ได้ในแง่ตรงนี้ทรงสอนว่าเมื่อกุศลและเจตนามันเกิดขึ้นต้องการจะทําความดีต้องนี้ทําทันที รอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนคือต้องแซงต้องแซงหน้าเลยนะฮะขอฉันก่อนขอฉันก่อนเพราะไม่อย่างนั้นจะทำไม่ได้หรือว่าไม่มีโอกาสจะทำการมองชีวิตมองเจตนามองชีวิตในแนวที่ตื่นตัวอย่างนี้อย่างที่อุปถาของพระโมคคัลลานะติตอนพู้เจ้ารับนิมนต์โดยการอธิษฐานใจของนางจุลสุปัฏฐา แต่พอดีพระโมคคลานะท่านไปรับในบนเอาไว้พระพุทธเจ้าบอกให้ไปคืนไปเลื่อนไปก่อนอนุบาศกแต่ก็กลัวนะฮะเขกลัวว่าชีวิตแกจะไม่อยู่ถึงพรุ่งนี้ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้ารับประกันชีวิตกับรับประกันศรัทธา รับประกันรับประกันศรัทธารับปกันชีวิตรับประกันโภคะนะฮะหมายความว่าทรัพย์สมบัติที่แกจะให้ทานนั้นจะต้องไม่เสื่อมไปก่อนชีวิตแกจะต้องไม่ตายก่อนและศรัทธาแกต้องไม่เสื่อมมันจะต้องมีตั้งสามอย่างแต่พรเจ้ารับสั่งว่าชีวิตกับโภคะในพรเจ้ารับประกันให้ได้ว่าจะไม่เป็นอันตราย แต่สถานั้นเธอต้องรับประกันเธอええ Net, เองความเป็นใจคอง่ประสมุกนั้นเองพระเจ้าจะไปประกันให้ไม่ได้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติในลักษณะตื่นตัวแล้วก็มองเห็นชีวิตข้างหน้าที่เป็นของไม่แน่นอนนะฮะจะเกิดดับเกิดดับเมื่อไหร มันจะทําให้คนเกิด ค, ความกระตือรือร้นที่ที่เร่งกระทำความตีในขณะที่โอกาสอำนวยให้กุศลและเจตนาอย่างอำนวยให้ทรัพย์สมบัติยังมีให้หรือว่าเจตนาที่จะทําความดียังมีอยู่ก็รีเพ่งกระทานั่นคือลักษณะตื่นตัวมากค่ะจะเห็นว่าตื่นตัวกมากแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบในการคิดโดยวิธีของชาวพุทธคือคิดในลักษณะตื่นคือมีสติ การต่อไปเรื่องเรื่องผู้ให้ผู้รับเรื่องการทำลายผลประโยชน์เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ทำลายคนสามกลุ่มแล้วเราก็อยู่เฉยๆแต่ก็ไปทำลายอย่างแนวที่เคยเล่าฟังเรื่องตอนพระนางมาริกาเทวีท่านให้อัตตสีตะทานหมายความว่าเป็นทานที่ผู้เจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยจะมีการให้ได้เึงครั้งเดียวมันเรื่องใหญ่มหาศาลมากๆ แล้วคนเป็นหัวหน้าในการให้ต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงไม่ไม่เบานะตรงนี้ผู้ชายทาไม่ได้เลยตอนนี้แล้วพระนางมาริกาท่านก็ให้ทานในตรงนี้ก็มีอามตาะสองคนเกิดเกิดเสียดายเกิดริศยาในทานที่ให้มากมายหมหาศาลอย่างนี้คนหนึ่งเกิดอนุโมทนาคนหนึ่งเกิดรฤศยา พอตอนพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนานั้นมันน่าจะอนุมันาให้หยดย้อยไปเลยแต่อนุมทนาไม่มากพระเจ้าประเสริฐนกุศลก็สงสัยว่าพระนางมริกาใช้ความอุตสาหามากมายขนาดนี้ทําไมอันโมทนา น, นิดเดียวเจ้าก็รับสั่งเล่าใฟังว่าท่าอนอนุมทนาเต็มที่เนี่ยคนนี้จะต้องชอกตายไปคนฤทริ์สยาเนี่ยมันจะแค้นมากครับจะชกตายไปมันก็เป็นบาปแก่คนเร้เนี่ วันก็ไอ้ส่วนนี้เป็นบุญมันก็เป็นอยู่แล้วนะไปเจ้าประเสริฐ น, นุกูลก็เห็นว่าท่านน่าจะได้รับกรรมคำบนโมทนาที่เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตแต่มาติดที่อ ม, มาตย์ของท่านเกิดริษยาฐานกังท่านก็เลยนิรเทศออกจากเมืองไปเลยแล้วลคนหนึ่งก็ให้รางวัลนะนะที่ชื่นชมบนโมทนาที่จริงมาเลิกทาใจเฉย เังการที่คนหนึ่งจะทำความดีเราไปขัดขวางแล้วก็เป็นการท ำ, ทำลายประโยชน์ที่เขาจะได้จากการทำความดีและผลประโยชน์ที่ผู้รับจะพึงได้ในกรณีนั้นเฉพาะในกรณีนี้ก็คือฐานะนะครับและตัวเองเนี่ยแทนที่จะอยู่เฉยๆไม่บาปไม่บุญอะไรก็ดีอยู่แล้วก็กลายเป็นการขุดรากความดีของตัวเองหมายความความดีที่ไม่เพิ่มแต่กลับไปลดความดี ที่ตัวเองมีอยู่แล้วภายในใจก็เป็นการนำลายประโยชน์แก่คนสงฝ่ายในตรงนี้ทรงใช้คำว่าทายกกับคำว่าปฏิาคาโคย่นได้เคยพูดว่าคำตรงนี้จริงม่เป็นคำกลางๆแต่ว่าทีหลังพูดไปพูดมาคล้ายๆกับแบ่งกลุม่มทายกนี่แปลว่าพูให้ใครก็ได้นะฮะพระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ใครก็ได้ เขาพูดถึงกรรมคือตัวกริยาในการให้ใครให้ในขณะใดในขณะนั้นก็เป็นถายกในขณะนั้นย่างที่ทรงแสดงในเรื่องกรรมที่ว่าคนแม้จะเป็นกษัตริย์แต่ท้ายนาก็เรียกว่าชาวนาแม้จะเป็นพราหมณ์แต่ไปค้าขายก็ต้องเรียกว่าพ่อค้าแล้วพราหมณ์นั้นไปสอนหนังสือก็เรียกว่าครูจะเรียกว่าพราหมณ์ไม่ได้ มันก็มันก็ทำตามตามผู้ตามตามการกระทําของเขาไม่ได้ไปผูกขาดว่าพระคือปฏิฆาหกคือผู้รับชาวบ้านเป็นทายกคือผู้ให้อย่างนี้พระอธิบายธรรมะเอาเปรียบชาวบ้านเนีธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ว่าอย่างนั้นว่าเป็นผู้ให้กับผู้รับซึ่งหมายความว่าในบางเรื่องพระก็ให้ชาวบ้านในขณะนั้นชาวบ้านก็เป็นปฏิฆาหกคือผู้รับ พระก็เป็นทายกผู้ให้ในกรณีใดที่ชาวบ้านให้ชาวบ้านก็เป็นทายกพระก็เป็นปฏิฆาหกและระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านนายก็กับนายนายขอคนหนึ่งให้คนหนึ่งรับคนหนึ่งก็เป็นทายก ค, คนหนึ่งก็เป็นปฏิฆาหกพอเปลี่ยนกันให้เอฟก็เปลี่ยนก็พูดถึงกิริยาที่กระทำแต่ในเมืองเมืองไทยเราจะพบว่าหนังสือทางานเนี่ยจะเจออย่างนั้นเลยนะฮะจะติบายอย่างนั้นแต่ในบาลีไม่เจอนะฮะ ไม่มีที่เป็นพระพุทธวจนะเจาะจงเป็นภิกษุเลยเนี่ยไม่มีแต่ถ้าพูดในกรณีเนี่ยในกรณีที่ว่าชาวบ้านมาทําบุญอย่างเงี้ยชาวบ้านหมายทาน ย, ยังในกรณีนี้เราจะเห็นว่าถ้าชาวบ้านเข้าไปทําบุญแก่พระรับไหทานแก่พระในขณะนั้นในกรณีนั้นนะฮะก็เรียกชาวบ้านมาถ่ายยกเรียกเรียกพระออกเป็นพระสิขาวเติ้ลในกรณีชาวบ้านไปแจกข้าวแจกของแก่ ชาวบ้านนะแก่พระไปแจเข้าวแจากของชาวบ้านเมื่อก็พระก็เป็นทายกชาวบ้านก็เป็นปฏิกากรของเพะันถ้าพูดเป็นกรณีแล้วมีแต่ถ้าพูดโดยหลักธรรมะแล้วนี่พูดถึงการกระทําไม่ได้พูดถึงผูก้กระทำไม่ได้ผูกขาดไม่ได้ผูกขาดว่าคนนี้คือผู้รับคนนี้คือผู้ให้คล้คลรรายๆการอธิบายกาตันยูกตเบทีนะฮะการตันยูกาตเบทีก็อธิบายแนวที่ผูกขาดเหมือนกัน หมายความมาผู้ใหญ่คือบุปการีผู้น้อยคือกาตัญยกูกตเวทีก็ทําให้เกิดความสับสนว่าจริงๆเนี่ยบุปการีก็คือคนทําอุปการะกร่อนพระเจ้าไม่ได้พูดถึงคนนะพูดถึงการกระทําบุปกากตัญยกูกตเวทีก็คือคนที่สํานึกถึงอุปการะคุณเขาอแล้วก็ตอบแทนความดีก็คล้ายๆกับการไหว้การรับไหว้นะฮะการให้การการรับอะไรต่ออะไรเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าใครทําอะไรในขณะนั้นคนนั้นก็เรียกชื่ออย่างนั้นคนใดให้คนนั้นก็เรียกว่าบุปการเรคนใดรับคนนั้นก็เรียกว่ากตันยูกตเวตีซึ่งจะต้องเกิดความสํานึกกตัญยูกตเวตีต่อเขาแล้วก็เปลี่ยนกันให้เป็ี่ยนกันรับมันไม่ใช่ผูกขาดลักษณะแนวตรงนี้บางทีเนี่ยคือเรามองเห็นว่าสังคมเราบางทีวนึกไม่ออก มีเทศการมีวันสาคัญต่างๆผู้น้อยก็ต้องไปจัดอะไรให้ผู้ใหญ่จัดวันเกิดให้ผู้ใหญ่จัดฉลองนั้นฉลองนี้ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าให้อะไรแก่ผู้น้อยมั่งเราไม่ได้มองถามตรงนี้มันเป็นสังคมที่ไปคิดคิดอะไรแปลกๆที่จริงผู้ใหญ่เองก็ต้องทบทวนนะว่าตัวเองนี่มีคุณอุปการอะไรตอเด็กเหล่านั้นบ้าง แล้วก็อยู่ในฐานะที่ควรเกี่การรับหรือไม่มันก็ผูกติดยึดกันมาจนในที่สุดเป็นสั ง, งคมคล้ากับเด็กเลี้ยงผู้ใหญ่ถึงมันผิดสูตรมากๆแต่ถ้ามีการให้มีการรับที่ทยอยกันไปแน่นอนก็เป็นเรื่องที่ควรแก่ทํำตามการตามโอกาสแล้วก็ตามตา ม, ตามเหมาะสควรแก่ฐานะของบุคคลเรานั้นประการต่อไปนั้นก็คือ คือการมองในแง่ที่เป็นผลสูงสุดก็เป็นข้าหลักของทักษินในยบุคคลคือเป็นการพูดอีกระดับหนึ่งนะพูดระดับบุญหมายความพูดระดับบุญที่มากหรือบุญน้อยซึ่งเกิดขึ้นจากการให้เนี่ยเราจะต้องมองกลับไปที่ตรงโน้นนะตรงพระอาราหังคาว่าอาราหัง อรหังที่แปลว่าหักกรรมแผงสังสารจักที่ไกลกากิเลววาสนาไม่ทำอาคุคคือบาปและเป็นนาหุนะคือควรแก่การสักการบูชาของบุคคลทั้งหลายทำไมล่ะคือคนที่จิตใจบริสุทธิ์สะอาดนะฮะบริสุทธิ์สะอาดทำอย่างนั้นเมื่อก็เกิดบุญเกิดอานิสงส์อํนนวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ที่ที่ทำบุญกับท่านนะที่ให้ทานแก่ท่าน ทีนี้คำว่าอารหังตรงนั้นเองก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวคนทงท่านคือใครก็ไม่รู้จะเป็นใครก็ได้ปฏิบัติมาถึงจุดนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระหรันเมื่อเป็นพระหันก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วก็อยู่ในฐานะอย่างนั้นตรงนี้ได้ทรงแสดงว่าการให้แก่ผู้ทุศีนั้นมีอนิสงส์น้อยไม่ใช่ปฏิเสธผลอนิสงส์นะแต่การให้แก่ผู้มีศีนั้น จะมีอานิสงส์มากแต่คําว่าผู้มีศีลจะทรงนิยามนะฮะจะทรงนิยามเอาไว้อีกว่าไม่ใช่อาศัยรูปแบบมันจะรูปแบบพอเป็นพระเป็นชีเราก็เรียกว่าผู้มีศีลไม่ใช่อย่างนั้นไม่อยู่ที่รูปแบบอย่างนั้นแต่มันอยู่ที่พื้นฐานทางจิตวิญญาณของโกลนั้นเอาเข้าจริงปรากฏว่าไม่ได้เจาะจงเป็นพระนะรเราจะเหนไม่ได้เจาะจงเป็นพระเจาะจงว่าผู้มีศีลกับผู้ทุศีล ผู้มีศีลก็คือผู้ที่ละองค์ห้าประกอบโดยองค์ห้าใครอะไม่รู้ใครก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเพศแต่เกี่ยวกับสภาพทางจิตสภาพทางจิตของคนนั้นเพราะในในพวกอานิสงส์ของทานที่มีผลอะไรต่ออะไรพิเศษบ้างบางทีก็ไม่ได้ให้กับพระอะไรเนี่ยให้กับชาวบ้านให้กับชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าชาวบ้านเหล่านั้นพอดีเขาเป็นคนมีศีลมีศีลมีธรรม มีผลมีอานิสงส์มากเช่นอะไรล่ะเรื่องในสาธุสูตรตเทวดา700องค์ที่ตายในมหาสมุทรได้บังเกิดเป็นเทวดาคนนี้ก็ให้ทานแก่กิวบาสคนหนึ่งที่รักษาสี่ห้าสี่ห้านะไม่ไม่ไม่จะสินไม่จะสิน ม, ม, มากอะไรสินห้าข้อแต่นั้นเองแต่ท่านรักษาสมบูรณ์แล้วก็คนก็ศรัทธาเรื่องใสแล้วก็สมาทานสินด้วยนะสมาสิน กรรมทานศีลจากจากบะศกด้วยผู้ละองห้าก็คือสงบนิวรณนเรื่องใหญ่นะนิวรเนี่ยที่จริงถ้าพูดถึงว่าสงบได้เด็ดขาดอย่างที่เราก็เจอนิวรณ์ยเรื่อยเนี่ยเราพูดเรื่องกรรมฐานมานิวนรณ์เราเห็นว่าระดับกรรมฉันที่ละได้เด็ดขาดจริงๆมันก็ต้องเป็นประสูตบัตใช่ไม่ใช่ต้องเป็นพระราคามีนะต้องเป็นพระราคามี ประเภทพยาบาทละได้จริงๆต้องเป็นพระนาคามีทีน้มิทะอุทธจักระนะทีน้มิทะอุทธจักระเป็นพระหันดน้านเองละได้แต่ทีน้มิทะบางอย่างเป็นความต้องการร่างกายนะเราจะเห็นว่าที่ทีทททท่นอนนะ่ะง่วงนอนนะบางทีมันเป็นอาการทางกายไม่ใช่เป็นอาการทางจิตแล้วกุกุจจะพระนาคามีละได้วิจิกิจฉาวาโสดปันละได้ ะว่าพอถีนามิทธากับอุทจฉานี่มีแต่พระอานนละนั้นละได้พูดไว้สูงเป็นพูดถึงทักกินายบุคคลที่เดินไปเรื่อยๆแต่หมายความว่านิวร์เนี่ยก็ต้องสงบไปสงบไปจนถึงก็หมดสิ้นไปในการปฏิบัติเวลาอธิบายสังฆคุณเนี่ยท่านจะอธิบายสองระดับระดับหนึ่งก็คือละได้หมดแล้วละกิเลสได้หมดแล้ว ระดับที่สองนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อล้ากิเลสหมายความว่ากิเลสท่านลดไปได้เท่าไหรก็ช่างแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ลดนะฮะมันก็คล้ายๆกับเราปลูกพืชในพื้นดินที่แม้จะมีหญ้าอยู่วัชพืชต่างๆอยู่แต่ก็ส่วนหนึ่งก็ได้แผ่วถางไปแล้วได้ก็จัดวัชพืชออกไปแล้วในจุดนั้นพืชก็จะเริญงอกงามได้ดีในส่วนที่มีหญ้าอยู่ก็อาจจะเริญน้อยหน่อย แต่ก็ดีกว่าที่มีญาติเต็มไปหมดแลงวงั้นในตรงนี้จึงพูดระดับสูงไว้แต่อย่าลืมมาที่จริงสองอย่างเนี่ยทีละละองห้าประกอบโดวงห้าหมายความถ้าประกอบเดองห้านี่องห้าเหล่าเนี่ยมันจะทําหน้าที่ละองห้าไปเององค์ห้าข้างข้างต้นคืนนอนิวรณ์ทั้งห้านี่ไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าพูดได้เห็นว่าเป็นปรารณาภาวนาคือละบาปความเป็นบุต พูดแนวว่าการละบาปเป็นบุญแต่จริงแล้วแนวการปฏิบัติเราจะพูดว่าประกอบโดยองค์ห้าเฉยๆก็ได้นะไม่ได้แปลกอะไรแล้วก็ผลก็เหมือนกันนั่แหละเพ ร, ะราะอะไรเพราะถ้าท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนิวรณ์มันก็หมดไปเองโดยธรรมชาติก็มันศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวหลักใจไปพูดมาตัวเหตุก็ตัวเหตุนะฮะตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุไม่ใช่ผลนะ เขาเรียกว่าเป็นมัดเป็นมัดมันก็แยๆกระโวดที่ยิงเพื่อนขึ้นไปสู่สุญญากาศแต่ตัวเองไม่ได้ขึ้นไปนะตัวเองอยู่ข้างล่างอะไยามัดทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นศีลห้าไอ้ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาที่จริงก็คืออริยมรรคศีลเมื่อกล่าวโดยสรุปเรานับข้อเยอะนะฮะนับข้อเยอะแต่ถ้านับโดยเนื้อหาจริงๆมีอยู่สามอย่าง คือสัมมาวาจการเจรจาชอบสัมมาการมันตะประพฤติชอบหรือทําการงานชอบสมาชีวะเลี้ยงชีพในทางนี้ชอบจบแล้วนะฮะศีลห้าก็จบแล้วแค่นั้นไม่ใช่ศีลนะศีลทั้งหมดเลยก็จบแล้วแค่นั้นเองทีนี้ผู้สมาธิมันก็ไม่มีอะไรฮะคือสัมมาวามะสัมมาสติสมาสมาธิพม่งก็เป็นสมาธิปัญญาคือสมาธิฏิสัมมาสังกัปปะก็จบ ก็เป็นองค์อริยมรรคทีนี้ผลรวมของการปฏิบัติในศีลทั้งห้าเนี่ยมันเป็นบิมุติคือจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสความทุกข์นั้นเป็นผลต่อนเนื่องมาจากกิเลสเมื่อกิเลสเราหลุดพ้นจากกิเลสหรือเราลดกิเลสได้ความทุกข์ก็ลดลงไปเมื่อเราหมดกิเลสความทุกข์มันก็หมดคล้ายๆกระดับไฟนะฮะความร้อนมันมาจากไฟการเผาไหม้อะไรต่ออะไรมา มาจากไฟพราะดับฟมันก็เลิกพูดเรื่องอื่นหมดแล้วก็ข้อที่ห้านั้นเรียกว่าวิวุทยานัตสนะเป็นความรู้ความเห็นว่าเราได้หลุดพ้นแล้วเหมือนกับเราหายป่วยแล้วกินยาหายป่วยแล้วเราก็รู้ว่าเราหายป่วยแล้วกินข้าวอิ่มเราก็รู้เราอิ่มแล้วอ่านหนังสือรู้เราก็เรียกว่าเรารู้แล้วก็ก็ ก, ก็ก็เป็นปัจจิตตังแน่ปัจจิตตังหมายความว่าเป็นข้อที่วินิจฉัชนจะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทักกินยาบุคคลแต่ไม่ได้เจาะจงเป็นพระให้จับประเด็นไว้เลยบ่าไม่เจาะจงเป็นพระใครก็ตามปฏิบัติได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นทักกินยาบุคคลคือผู้ควรแก่การให้แต่ให้มองให้ให้มองกลับไปว่าธรรมะมันมีสองด้านนะนะตอนนี้อย่างที่กลุ่มทำลายผลประโยชน์เนี่ย โดยเห็นว่าเป็นการพูดถึงกานทาลายผลประโยชน์คนสามฝ่ายเพราะงั้นถ้าเราส่งเสริมสนับสนุนในการกระทําความดีตรงนี้ท่านทันยกทานนะฮะปรารภทานแต่อย่าลืมเรื่องความดีอย่างในกรณีของทานที่ส่งแสดงหรือประสารทบุตรท่านท่านท่านเทศสอนพระพุจ้าท่านเทศสอนอยู่หลายครั้งเนี่ย บางคนให้ทานในโลกนี้จริงก็มีอยู่สองสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือทําโดยตัวเองไม่ใช่ทำโดยตัวเองแล้วก็ไม่ชักชวนคนอื่นไม่ใช่ไม่ทําโดยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นทำโดยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นชักชวนคนอื่นแต่ไม่ทําในตัวเองแล้วก็ทําในตัวเองด้วยชักชวนมาคนอื่นด้วยคนที่ไม่ทําบุญด้วยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นเราก็เลิกพูดเลยนะฮะ คนที่สองนั้นทำได้เฉพาะตัวเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นมันก็เป็นการดีเฉพาะตัวที่ทรงใช้คำว่าจะสมบูรณ์โดยพว ก, กสมบัติในสถานที่ที่ตนเกิดแล้วแต่จะไม่มีบริวารสมบัติคือจะไม่มีพวกที่ทำบุญร่วมกันไอนแนวพวกทำบุญร่วมกันเนี่ยเป็นแนวที่น่าศึกษานะเป็นแนวที่น่าศึกษาคล้ายๆกับเรื่องรามเกียรติ กระเจนว่าพวกที่มาพวกที่ที่จุติตามพระนารายพระรามมาเนี่ยพระนารายมาเนี่ยไวานุมานสุค ร, รีบอะไรตไรพวกพวกสิบแปดมงกุฏนะมันประสานงานกันดีมันมันเข้าใจกันมันมันมั น, มนพื้นฐานมันดีแต่บุเพสนิวาสคือคนเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนแล้วก็มีเรื่องคนแยะนะเช่นนักุละบิตานักุละมันดา พวกนี้ก็ทําบุญมาด้วยกันก็พื้นฐานชีวิตจิตใจมาเนี่ยพื้นฐานชีวิตจิตใจมึงอยู่ระดับเดียวกันหรือแนวชาดกที่เราเรียนเราเห็นว่าท่านเหล่านี้ทําบุญร่วมกันมามาเกิดเป็นสาวกกชาดกประมาณสรุปแล้วเราก็จะเจอแถวเนี้ยแถวแถแถเนี้ยแถ ว, แถ ว, แถ ว, แถวประราขุนพระบุญว น, นาประนาง ยโสธราพระโพธิสัตว์พระอานนท์ภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัตตปะทาพระอนุรุตเตตเตตแถวเนี้ยแถวเนี้ยใกล้ใกล้กันนี้แล้วท่านเหล่านี้ก็ทําบุญเคียงคู่ขนานกันมาเรื่อยก็มาสนับสนุนกันก็ทําให้เป็นพวกเป็นบริวารกันก็ช่วยเหลือกันได้สนับสนุนกันท่านเหล่านั้นกับพระพุทธเจ้าจริงๆก็ช่วยกันมาตลอดในสังสาราวัฏช่วยเหลือกันมาตลอด แล้วก็พอมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็มาเกิดจะเรียกว่าก็ท่านท่านเล่านะฮะเทวดาจุติลงมาเกิดวันเดียวใกล้ๆ ก, ล ก, ลกับพุทธเจ้านี่เยอะแยะไปหมดต่างเพราะงั้นพอถึงเวลามันก็มากันจากส่วนต่างๆแต่าแมาจงมองออโอรสพระธิดาก็ ร, รักจักรที่สี่นะครับ เป็นพระบิดาในด้านต่างๆมหาศารมากๆและประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เจ้าทยมีคนรุ่เดียวนะเดียวชุดเดียวนี่ชุดเดียวนี่ที่ร่วมสร้างสรรค์บุกเบิกพัฒนาแนวใหม่ขึ้นในสังคมไทยคือพระโอรสพระธิดากราชการที่4เป็นพระบิดาในด้านต่างๆตัแต่รายการนี้5มานะรายการที่หกรมพยาดํารงกรมพยานฤทธิ์ฤทจิ์เยอะแยะไหมดเลยเป็นพระบิดาในด้านต่างๆสภาการชาติกาเรเชิดมก็เกิดเกิดขึ้นในรูปรายการที่ห้าอย่างนั้นเอง แอลูกรายกันที่สี่อย่างนั้นนั่นคือลักษณะของคนที่เรียกว่าตั้งบุญมาด้วยกันนะแล้วก็มีทางทางอะไรอ่ะมีทางพวกสมบัติและบริวารสมบัติก็แสดงว่าเคยทําบุญทําทานมาก็ชักชวนกันทําบุญทําทานน่นก็มาได้กันบางคนนั้นชวนด้วยตัวเองนะดีแตชวนคนอื่นแต่ว่าไม่ทําด้วยตัวเองก็แสดงว่า มีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ด้วยบริวารแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยภพสมบัติบางคนถ้าทาทั้งสองอย่างก็สมบูรณ์ทั้งสองอย่างมาความธรรมในตัวเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่าการปฏิบัติอย่างนั้นมันก็กูลแก่คนหลาฝ่ายก็กูลแก่ตัวเองก็กูลแก่คนอื่นก็กูลแก่ผู้ให้กอกูลแก่ผู้รับแล้วก็เป็นแบบฉบับในการดรํารงชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายทึ่ประสบพูเพ้เห็นด้วย ในพระคาถาเนี่ยเป็นพระพระคาถาที่น่าคิดนะฮะกระเจนว่าไม่ค่อยคือคือคือไม่ได้ตรงทีเดียวตามตามที่เขาถามแต่ไปสาวลึกเข้าไปในเรื่องอะไรอีกจุดเนี่ยส่งขึ้นไปที่โคสีอะไรก็ตามพระคาถานี่แม่โคสีนั้นสีนั่นก็ว่าโคสีสีโคเยอะหมดเลยเนี่ย มันไม่สำคัญนะโอ้มัสีอะไรก็ตามแต่ว่าโคที่ยอดโคคือโคอาชาไยที่มันฝึกมาดีนะโคอาชาไนเนี่ยเขาเรียกหลายระดับนะโคบริพัทเนี่ยโคใช้แรงโคบริพัทโคอุสภะโคอาสภะโควัสภะเป็นโคระดับเจ้าฝูงโคพวกระดับเจ้าฝูงอันี้อันนี้พูดระดับโคบริพัทนะ โคที่ใช้เรี่ยวใช้แรงเป็นหัวหน้าโคเป็นจ่าขุงของโค ร, ระดับเล็กๆแต่ว่ามีการฝึกมาอย่างดีเป็นโคที่ทนในการทำงานและก็มีความฉลาดในการทำงานสามารถแบกภาระออต่างๆไปได้คล้ายกับโคนันทวิสานในแต่ไร น, นั้นบอกว่า ม, มันเกิดมาจากแม่โคยังไงก็ได้เกิดจากแม่โคสีอะไรก็ได้ แล้วก็แม่โคอย่างเงี้ยสามารถจะมีลูกได้อย่างนี้ทุกๆสีไม่ได้เจอดจงแม่โคสีนั้นจะต้องมีลูกอย่างนั้นแม่โคสีนั้นจะต้องมีลูกอย่างนั้นทําไมสาวไปถึงโคได้ทั้งทั้ที่ปัญหาไม่ถึงโค ถ, ถึงสกุลไอ้นี่คือลักษณะของสัพพัญญุตยานหมายความว่าท่านวัชชะโคดเองมันก็มีอะไรลึกๆซึ่งเป็นพราม์เนี่ยนะซึ่งเป็นพรามณ์คําถามในค่อนข้างจะดูหมินนิดๆคือค่อนข้างเชื่อนะถ้าคนเขา เขาเชื่อแล้วนี่เขาไม่ถามไม่ใช่คือว่าคนคนคนที่เชื่อในพระเจ้าเองนี่เขาจะไม่ถามเพราะถามอย่างนั้นใล้ๆมันมันขาดความเคารพนะฮะที่จริงเนี่ยขาดความเคารพพอถามตรงๆ อ, อ, อย่างนั้นได้ยังไงก็ทำให้พระเจ้าทรงรู้ว่ามันมีลักษณะเข้ามาณนะมาณพระชาติมาณพราะความเป็นพราหมณ์แล้วพวกเหล่านี้มักเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นเครือ บ, บดี เพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้ารับสัง่งจึงจึงจึงล่วงลึกจึงไปไปถึงชาติตะกุลเป็นแนวตรงกับคําสอนที่ว่าคนจะเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะชาติตสกุลเป็นคนประเสริฐไม่ใช่เพราะชาติตสกุลแต่เป็นคนเลวก็เพราะการกระทำเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทานะนะ่าจะยาวสโลโฮิตินี่คือลักษณะของสัพพัญญุตญาณเราสังเกตว่าปัญหาเหมือนกันแต่ว่าคนถามคนละคนกันปรากฏว่าตอบไม่เหมือนกัน วิธีตอบตอบางทีตอบสาวลึกเลยสาวลึกถึงพื้นอัธยาศัยว่าเธอคิดยังไงฉันดูค่ะค่ๆอย่างนั้นนะฮะใช้เกตปริญาหรืออเทศนาปฏิหารหมายความว่มาในขณะที่เธอถามนี่เธอคิดอย่างนี้เพราะก็ลวงลูกลึกไปจนถึงวิเคราะห์เห็นว่าชาติสกุลไม่ได้มีความสาคัญอะไรเมือก็โคสีไม่ได้มีความสคัญอะไรแต่ลูกโคชันดีเกิดจากแม่โคได้ทุกๆสี ตรงนี้ก็ทําให้นึกถึงคติจีนนะที่สันเต้งเสี่ยผิงชอบพูดอ่ยแมวสีอะไรเปสําคัญเนี่ยสำคัญในจับหนูได้ประโยคนเดียวกันนะฮะเนื้อหาเดียวกันคือประเด็นไม่ได้อยู่ตรงตรงตรงสีแมวนะฮะตรงสีของแมวเนื้อหาของแมวการเลี้ยงแมวคือต้องการนาจับหนูได้เพราะความเป็นคนหรือความเป็นสัตว์ อยู่ที่การสามารถพัฒนาได้แล้ก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่บุคคล อ, อื่นได้พอมองจากมุมนี้ปรากฏว่าไม่ได้ผูกขาดด้วยชาติสกุลเพราะนั้นในวัฏจต่อมานี่จึงทรงสแสดงว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันคนจะเกิดในวันน้ากษัตริย์ในวันน้าพราหมณ์ในวันณ้าแพทย์ในวันน้าสูตรหรือแม้ในวันน้าการทานในหมู่คนเหล่านั้นแหะวันน้าใดก็ได้ ถ้าเขาสามารถประพฤติปฏิบัติฝึกปรือตนเองกบปรุตนเองได้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะเสริมสร้างฮิริโอตรปะขึ้นภายในใจจนเป็นเครื่องสกัดกั้นอกุศลบาปธรรมไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าลดความรุนแรงของกุศลบาปธรรมลงไปได้ โดยอาศัยธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติที่เป็นตัวหลักคือเป็นผู้ที่มีสติมีความเพียรพยายามที่ต่อนเนื่องมีตนส่งไปแล้วจำนวนมาลีได้บอกมีตนส่งไปแล้วแหละจุหมายความว่ามีความมุ่ง ม, มั่นอุตสาหะเด็ดเดี่ยว พุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปเพื่อทำตรงนี้ให้ได้ปฏิบัติตรงนี้ให้ได้บางครั้งบางคราวต้องมีปณิธานแน่วแน่ที่สูงส่งจริงๆหมายความมาหก ล, ล, ล้มบกลุกกี่ครั้งก็ไม่ต้อตงลุกขึ้นมาให้ได้แล้วต้องพยายามไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ในการกา ร, การทำอย่างนี้ที่จริงจะทำโดยลูกของใครก็ได้นะ ลูกกษัตริย์ก็ได้ลูกแพทย์ ก, ก็ได้ลูกสูตก็ได้ลูกจันทานก็ได้นะลูกจันทานก็ได้แต่ว่าแน่นอนไอ้ปัจจัยโอกาสทั้งหลายเนี่ยความพร้อมของคนเนี่ยที่จริงมันก็ช่วยนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่มีโอกาสเขาพร้อมเนี่ยมันก็ง่ายกว่าสะดวกกว่าหน่อยแต่คนเหล่านั้นถ้าขาดความเพียรพยายามมันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน เราก็ไปพบกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ทรงแสดงไว้เนี่ยคือ ก, กลุ่มบุคคลที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปหมายความว่า เ, ออเกิดมาในวรรณะต่ำสกุล ต, ต่ำชาติกำเนิดต่ำแล้วก็ไม่ยอมพัฒนาปรับปรุงอะไรอันนี้ก็แน่นอนมันก็ไปไม่ได้นะทีนีออ้มืดมาแล้วสว่างไปคืออาจจะเกิดมาในฐานสะสกุลที่ต่ำต้อยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่า เธอมีชั้นทะอุตสาหะมีความเพียรพยายามมีสติสัพญ์ยดีมุ่มั่นจริงๆนะพยายามทําความดีให้ได้เธอก็ประสบความสำเร็จได้แต่ในขณะเดียวกันคนอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปหมายความอะไรมันก็พร้อมนะเกิดมาในกษัตริย์วรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์าาแพทย์ถึงหมายความว่าฐานมันดีมากเลยหน้าทางเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองก็ดีอะไรแต่อะไรมันพร้อมมาก แต่ถ้าไม่เอาไหนมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันคือว่าก็มืดไปได้หรือบางคนนี่มันพร้อมหมดนะเกิดวันนักษัตย์เกิดวรนนัพราหมณ์เนกะิดประนับแพทยานาเศรษฐกิจดีสังคมดีการเบืองดีของครอบครัวนะฮะแล้วก็ตนก็มีโอกาสไม่จังหวาสามารถที่จะใช้ไอคุณสมบัติต่างๆที่เป็นองค์ประกอบเป็นฐานเนี่ยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนไปได้อีก มากมายนะฮะก็สว่างมาและสว่างไปมาความสว่างในดับเดิมหรือว่าพัฒนาขึ้นไปก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามเรื่องของคนที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองคือเราอาจจะไม่ได้เลือกเกิดมาที่จริงที่จริงเลือกเกิดได้นะในในแง่พรนะพุทศาสนาแล้วก็เลือกเกิดได้ ในการเลือกเกิดนั้นมันก็เหมือนกับการเลือกพักโรงแรมรือเลือกไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งมันก็อยู่ที่ทุนทรัพย์ในการจะพักในการที่จะไปของเราเห็นไมมว่าคล้ายๆก็เลือกได้แต่บางชีมันก็ถูกบีบคือมีความจำกัดในตัวเองในกิจการในตัวเองเพราะเงินมันน้อยนะพักโรงแรมหรูๆไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆไม่ได้ยานพร ะ, ะดีๆไม่ได้ เพนคนที่เลือกได้จริงๆก็คือคนที่มีเงินมากโดยตรงนี้ก็เหมือนกันคือคนที่มีบุญมากเนี่ยเขาเลือกได้ก็เกิดที่ไหนก็ได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าพิมิสารเป็นพระโสดาบันน ะ, ะพระโสดาบันได้ไม่เกิดสวรรค์ชั้นต่ำนะปกติเทพเจ้าพิมิสารท่านเกิดต่ําสุดนะฮะเป็นชนะวัสภายักษ์และเป็นบริวารยักษ์ด้วยนะะไม่ไม่ ไม่ใช่เป็นยักษ์ใหญ่เป็นบริวารคนเท้ากูเวนพุเจ้ารับสั่งน้าต้องไม่ไปเกิดตรงนั้นทำไมแกบอกว่ามันมีคนคุ้นคุนอยู่เยอะนะคือระลึกชาติได้นะเห็นเพื่อนฝูงที่ยังไม่จุติมาเยอะเลยอยู่ที่นั่นนะคุ้นคุนอยู่ในชาติก่อนก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะคุ้นคุ้นอยู่เยอะท่านบอกมีคนคุ้นคนอยู่เยอะก็ อ, อยากจะไปอยู่โลกกับพวกนั้นครับ เห็นไหมท่านท่านเลือกที่จริงท่านจะเลือกขึ้นดาวดึงขึ้นดูสิทธิ์ขึ้นไหไก็ได้ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านท่านตายในสมาธิด้วยนะท่านนั่งสมาธิด้วยนะเจริญสมาธิอยู่เลยเป็นพระโสดาบันเจริญสมาธิแต่บทท่านเลือกทานก็เลือกเอานั้นนั้นเลือกเรันหรือว่าธรรมิกาอุบาสกธรรมิกาอุบาสกที่ทางครอบครัวนี่ถูกฝึกปลือให้มีศีลมีธรรมทั้งหมด เวลาท่านจะตายเนี่ยมันอยากฟังมหมาสติปัฏฐานสูตรเราส่งคนไปในบนพระมาให้สวดสติปัฏฐานสูตรได้ฟังในขณะที่พระสูตรเนี่ย ม, มันปรากฏเป็นกรรมานิมิตตารม์คตินิมิตตารมณนะฮะมันก็เห็นคติที่ตนจะไปปรากฏเป็นเทวดามารับเยอะไปหมดเลยเรียกร้องไปกระชันไปกระชั้นไปกระชันยุบ ไ, ไปหมดเลย เสียงท่านท่านได้ยินเสียวดาเรียกก็มันไปรบกวนการฟังธรรมคือใจท่านต้องการฟังธรรมแต่มีเสียงนี่ได้ยินอว่าเสียงเเดียวดท่านบอกขอรอก่อนหยุดก่อนให้หยุดไว้ก่อนหยุดก่อนพระเข้าใจว่าบอกให้พระหยุดสวดพระเลยกลับวัดหมดเลยลูกญาติพี่น้องก็ร้องห่มร้องไห้เสียห่เสียใจว่าแมพ่ออยู่มันดีๆมันหลงตายได้ไม่น่าเชื่อเลย พออุบาศกประลึกขึ้นมาได้ก็สอบถามมาพระทําไมไม่สวดก็บอกว่าท่านกลับไปหมดแล้วเพราะบอกพ่อบอกบอกยู่แต่บอกไม่ได้บอกพระนะบอกบอกคู่กับเทวดาเขาออกมารับพ่อเนี่มาเต็มไปหมดไล้ดูสิแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นนะนะท่านเห็นก็ตกลงว่าจะให้ไปเกิดในที่ไหนดีคนนั่นก็บอกคนจะไปอย่างนั้นคนจะไปอย่างนี้คือท่านเลือกได้นะหมายความว่ามาเต็มไปหมดไปตรงไหนก็ได้ ตกลงว่าเลือกสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไหมถ้าเป็นพระโสดาบันเดี๋ยวท่านเลือกชั้นดุสิตชั้นดุสิตเป็นชั้นที่สี่พระเจ้าพิมพ์สารไปเลือกชั้นแรกเลยเดี๋ยวชั้นแรกเลย เ, เกิดเป็นยักษ์ด้วยชนะวัชพายักษ์ก็เลือกก็ได้นะฮะเลือกก็ได้แต่นี้ก็อยู่ที่บุญเรามากพอถ้าบุญเรามากพอเราก็เลือกได้นะฮะถ้าบุญเราไม่มากพอก็เหมือนกับเงินไม่มากพอนะเราก็เลือกพักโรงแรมไม่ได้เลือกกินอาหารไม่ได้ มันต้องกินเท่าจํากัดด้วยเงินของเราที่จะซื้อได้แต่ในขณะเดียวกันตรงนี้จากหลักตรงนี้ส่งสอนว่าเราเลือกได้ในขณะนี้ในความเราเกิดจากเอสีอะไรก็ตามนะะเกิดในสกุลอะไรก็ตามเขาส่งส่งยกโคแล้วก็ทรงยกคนนะโคเนี่ยจะจําแนกที่สีสีก็คือวันณะนะที่จริงวันวันนะก็คือผิวคือสีเหมือนกันแล้วก็เทียบกับคนซึ่งเป็นกลุ่มเป็น เปนกลุ่มบรรคุณเกิดในตะกูลอะไรก็นนะปัญหาว่าคุณเลือกวิธีชีวิตของคุณเองกําหนดวิธีชีวิตของคนเองที่ส่งแสดงไว้ในรูปที่สมบูรณ์สมบัตินะสมบัติที่สมบูรณ์มันจะมีสมบัติอย่สี่สมบัติเรนท่าปกติคนเรามีไม่ครบนะมีไม่ครบหรอกประการแรกเขาเรียกคติสมบัติหมายความคัติคือพบ ที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดท้องถิ่นที่เราเกิดสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่เราเกิดอะไรมันเงื่อนไขมันเยอะมันดีหรือไม่ดีตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นฐานหลักอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าคนบางคนไปเกิดซิลิฟเลยในป่าหลังเขาเนียนะ่ยไปอยู่ในป่าหลังเขาแต่คนหลังเขาปรากฏว่าเป็นเป็นคนระดับนําเยอะแยะไปหมดเลย ข้ามภูเขามานะฮะมาอยู่กลางเมืองได้แต่หมายความจริงๆแล้วนี่โอกาสก็ไม่ดีสถานที่ก็ไม่ดีแล้วก็อุปทิสมบัติหมายความมารูปร่างกายสง่างามสวยงามสุขภาพพลานาใหมดีอะไรต่อะไรเนี่ยนะถ้ามันดีๆร่างกายดีๆรูปร่างดีๆสุขภาพดีๆพลานาใหม่ดีก็เรียกว่าสมบัติ ความสมบูรณ์ในจุดนี้แล้วก็กาลาสมบัติยุคสมัยยุคสมัยที่เราเกิดมานั้นสังคมมันมีค่านิยมยังไงโดยที่ว่าอย่างยุคสมัยนี้คนรวยอะฮะสถานะสังคมนี่จะเด่นมากคนมีศีลธรรมคนดีๆไม่แ ม, แ ม, แม่นั่นท่ายละประเดี๋ยวก็เพื่อนทำลายหมดแต่มายงยั ง, ยงนึกอยู่ว่าอย่างว่าคนนี่มันแปลกนะ สังเกตประวัติอเมริกามานั่งนั่งตามไอ้พวกอเมริกาเีออเมริกามันแปลกคนดีๆมันทาลายทั้งหมดเลยโผล่ๆขึ้นมาไม่กี่วันก็ทํำลายจริงเลเป็นเรื่องแปลกกว่ามนุษย์ที่แปลกมากเอาคนดีๆนี่มาทําลายแล้วต้องขบถูกคนชั่วทําลายประเห็นว่าคนชั่วที่ทําลายคนดีราคาไม่กี่สลึงอนะ่ะมาตมะคานทีก็ถูกคนบ้องๆ้อ ง, องยิงตายอ่นะ เป็นาทีจอห์นเอฟเคนิดีอะไรต่อรเจเห็นว่าคนเร็วๆราคาไม่กี่ตังค์เะ็นฆ่าคนเดียวอเมริกามีลักษณะอย่างนี้เยอะที่คนดีก็ถูกทำลายไปแล้วสังคมเนี่ยทำลายทำลายหาเรื่องมาทำลายอย่างอย่างอย่างแม้อะไรแอรอแคเชเคอะไรียมันมันดังเป็นนักมวยขึ้นมาที่จริงมันสร้างเกียรติประวัติให้แก่ชาติบ้านเมืองได้เยอะเอามาจับไปเป็นทหาร อันนี้คนหนีทหารเอาหนีทหารก็ห้ามห้ามช่องมวยห้ามมาปีดโอกาสเนียเอ็นวิทเฟรดลีก่ก็เหมือนกันนะไอ้คนนี้ทําไมไม่ปล่อยมันร้องเพลงเอาไปเป็นทหารทําอะไรเอาไปกักเป็นทหารได้สองปีกว่าเออไอ้คน อ, เ, อ, เ, อเมริกานคนพิกลเนี่ยเป็นคนพิกลว่าคนตรงนี้เอาไว้ตรงนี้มันได้อะไรแล้ไปวางไว้ตรงอื่นสิมันเป็นคนดังระดับโลกแล้วเนี่ยให้มันร้องเพลงไปเชื่ยวไปทั่วโลกทัวทั่วโลกเนี่ยเอาเงินเข้าประเทศได้เท่าไหร่ ก็บอกไปเป็นพลทหารมันได้ไรขึ้นมาพลทหารเราใครไปไปก็ได้นะแล้วเราดูามีมีคนเยอะดีๆที่ถู ก, ถ, กถูกเบรกไว้ถูกทําลายถูกหยุดไว้อะไรแต่ไหนมีเยอะเลยของเราก็เยอะนะฮะของเราก็เยอะแต่พูดมไปไกลๆหน่อ ย, ยกันพูดไกลๆไปอเมริกาข้ามโลกไปหน่อยข้ามโลกไปหน่อย ก, อยกส็สังคมมันเป็นอย่างนั้น สังคมจะมีคนที่เรียกว่ามากไปเริ่ยสยามมากไปเรืยความเบียดเบียนเราทําไม่ได้เราน่าจะสนับสนุนคนทําได้นะน่าจะทำบุญคุณต่อไปตรงนี้เราจะเห็นว่าตอนปรารพบเนี่ยนได้ชัดเลยประรพคนสามกลุ่มยคนที่ไปขัดขวางการทําดีของคนอื่นมันเป็นขุดรากถอนคนตัวเองคือทําลายพื้นฐานของตัวเอง แล้วในขณะเดียวกันก็ทำลายประโยชน์สิ่งดีงามที่คนอื่นก็จะได้ด้วยก็เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากความคิดที่ริษยาที่แข่งดีที่สรณี ว, วัฒ น, นสถานีวัน เ, เรียกวัฒนวัฉรยศสานีความดีนะพวกคนอื่นก็จะโดดเด่นพวกอืน่นพวคนอื่นก็จะดีจะถูกขัดขวางตัดรอนทำลายอะไรนะตอนนี้มันมั น, ม, น, ม, นมันมีคำขวัญท้ายรถได้เจอบ่อย สังคมเรือสามเพราะคนดีทอถอยนะสังคมเรวอสามเพราะคนดีทอถอยเห็นปลาปรากฏอยู่ไทยรถเจอฮนะนี่ก็ภาพสังคมเหล่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากแรงดันของกิเลสแต่ในขณะเดียวกันคนเหล่านั้นเองถ้าหากว่า เขาปรับตัวเองเขาได้เขาฝึกปรืออบรมพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาโดยลําดับแล้วเขาจะเป็นใครเนี่ยไม่สําคัญอะไรที่ทรงยกออกมาเหมือนกับดอกบัวที่เกิดเกิดบนโคลนตม ช, มชุ่มแช่อยู่ด้วยโคลนตมนะแต่เมื่อยกตนพ้นมาจากน้ําพ้นมาจากโคลนตมได้แล้วมันก็ควรแก่การไปเครื่องสักการะบูชาวางที่ไหนก็มีค่านะเป็นดอกไม้ที่ควรแก่การวางไว้สักการะบูชาของบุคคลทางไหน ตัวนี้ก็เน้นไปที่ตัวความเป็นกลับไปที่เดิมนะฮะกลับไปที่เน้นความเป็นตัวทักษิณายบุคคลหมายความคนเราเนี่ยในฐานะทั้งที่เป็นผู้ให้นะฮะทั้งที่เป็นผู้รับทั้งที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งสามคนที่ ท, ท, ที่กล่าวไวต้ตอนตอน้ตนต้นนะันะทั้งสามคนเนี่ยเมื่อเขาพัฒนาแล้วเนี่ยจะไม่มีการิบัติลักษณะตัดรอน ขุดรากความดีของตัวเองหรือว่าทำลายขัดขวางการกระทาความดีของบุคคลอื่นหรือว่าตัดรอนผลประโยชน์ที่คนอื่นจะได้แต่จะเป็นการปฏิบัติที่มีลักษณะเสริมหมายความว่าถ้าท่านเป็นผู้รับท่านก็เป็นทักในยาบุคคลซึ่งก่อให้เกิดผลเป็นบุญเป็นกุศลแก่คนที่ให้แก่ท่าน แล้วถ้าท่านเป็นผู้ให้ท่านก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัด้ดวยองค์ประกอบทั้งสี่ะฮะดวงประกอบทั้งสามอย่างนอยอย่างสาเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านนำมาให้เรี่อว่ปัจจะยัสมัตาคือสิ่งนั้นจะได้มาในทางที่ชอบธรรมเพราะเพราะท่านอยู่ในสีในธรรมแล้วก็เจตนาในการให้จะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์จริง ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยไรก็ตามนะีแต่แต่จะไม่มีกิเลสแรงๆหรือว่าไม่มีกิเลสเตือยปนอยู่มากจนถึงก็ไม่มีนะฮะจะไหนก็ไม่มีแล้วในฐานะที่เป็นคนเสมอนอกเป็นคนเสมอนอกคือเห็นก็ทําความดีนะเห็นก็ทําความดีก็จะชื่นชมอนุโมทนาในการกระทาความดีเหล่านะั้น มันเราจะเห็นว่าคนเราที่ฝึกปรืออบรมตนเองมาที่ว่ามีตนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะมีตนที่ฝึกดีแล้วก็จะมีชาติกําเนิดส ก, กุลไปไง่ายๆก็ช่างเมื่อเขามาอยู่ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทุกฝ่ายทําได้ทั้งในฐานะผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในฐานาเป็นผู้รับก็ทำให้ผลบุญของบุคคลนั้นมีผลเมีนในสำงมากขึ้นแล้วก็ในฐานะที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมในช่วงใดที่ถ้าไม่ได้ทำนะฮะช่วงใดที่ท่าไม่ไทาทั้งก็พร้อมอนุโมทนาชื่นชมในความดีของบุคคล น, นั่นเพราะว่าสังคมที่ ไม่ค่อยจะปกติไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะฮะมีคนหาเรื่องเรื่อหาเรื่องเยอะไปโดวยเฉพาะคือริษยาความริษยาเห็นคนอื่นจเจริญก้าวหน้าไปก็ทนอยู่ไม่ได้แทนที่จะถือเป็นแบบเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่เขาเป็นให้ได้อย่างที่เขาได้ให้มีอย่างที่เขาดีให้มีอย่างที่เขามีก็พยายามทำลายเขา ขัดขวางตัดรอนริดรอนอบุคคลเหล่านั้นลงมาหรือว่าทำลายผลประโยชน์ที่ขเขาจะพึงได้ความริษยานั้นจึงสร้างความพิบัติเดือดร้อนให้แก่โลกแก่สังคมมาไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามเพราะฉะนั้นธรรมะในส่วนนี้เป็นการชี้หลายระดับหลายเรื่องนะฮะหลายเรื่อง เรื่องประการแรกคือในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยคืออย่าไปเดือดร้อนวุ่นวายกับการกล่าวของบุคคลอื่นมากเกินไปเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาว่าเราเป็นอย่า ง, งนี้เขาช่างเขาเะเขาว่าไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่เราเป็นฮนะคือคนเราั้นรับรับผิดชอบในตัวกรรมของเราเองถ้าเราทำดีแม้เขายกย่องแม้เขาตาหนิหรือเขายกย่องเขายกย่องก็ไม่ได้เพิ่มความดีนะ เล้๋ยวตําหนิมันก็ไม่ได้ลดความดีอะไรเพราะความดีก็คือความดีการยกย่องของบุคคลอื่นหรือการตาหนิของบุคคลอื่นไม่ได้เพิ่มหรืลดอะไรแต่ว่าคนอื่นเป็นการแสดงสถานะของเขาออกมาเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าเขาชื่นชมในความดีก็แสดงว่าเขาไม่มีความสนิไม่มีความริกยาแล้วเขาตาหนิแล้วก็กัดฟางความดีก็แสดงว่าเขาขุดถอนราก ความดีของเขาเองเนเรื่องของเขาไปแล้ที่จริงเขาต้องรับผิดชอบเขาเองแต่คนเรามากักจะเดือดร้อนเพราะตรงนี้เดดร้อยเวลามีถูกวิพากวิจารณมีถูกตําหนิมีถูกหนังสือพิมพ์ด่าอะไรแต่รแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราลืมมองว่าหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยที่จริงมีความเป็นธุรกิจที่สูงแล้วก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยมันก็แข่งในฐานะที่เป็นธุรกิจ มันคนีนทําผลประโยชน์เพื่อความมั่งคั่งรํารวยตัวเองเนี่ยเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจเนี่ยไม่ได้คิดถึงถึงคนอื่นเท่าไรหร่หรอกคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้ไม่ได้มองถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนอื่นมันก่อนเนี่ยก็มีนักข่าวมาอาตมาบอกเธอเธอให้สัตว์ปฏิญาณก่อนอย่าลงข่าวเนี่ยจะพูดอะไรให้ฟังให้สัตว์ปฏิญาณสาบานตนในฐานะมนุษย์ บอกห้ามเอาไปลงอยจะพูดให้ฟังเลยเทศเยอะๆเลยวันนั้นก็ดีนะเด็กๆนี่ไม่เอาไปลงเลยนะเอาไปลงเลยเอาไปลงเลยว่าเธอจะไปหลงตัวเองดีนังสือพิมพ์น่ะมันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่สื่อสารมวลชนไม่ใช่ฐานอันดอนที่สี่อะไรหรอกคุณมีปากกาคุณก็พูด จ, จ้องตัวคุณเองเป็นธุรกิจบังคับขายด้วยคนอื่นก็ต่อรองได้คุณต่อรองได้หราห้าบาทขาดตัวด้วยมีอะไรด้วยมีอะไรในต่อรองคุณได้หรือเปล่า คุณจะไปหลงตัวที่คุณต้องรู้จักตัวว่าคุณคือธุรกิจอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแล้วคุณบังคับซื้อเขาด้วยคุณยัดเยียดคุณจะให้เขารู้อะไรคุณก็ให้เฉพาะเรื่องตรงนั้นจริงหรือไม่จริงนี่คุณก็ไม่รับผิดชอบอะไรคนบางคนก็สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิมาเป็นวงสรูลใหญ่โตโมลานคุณไปลงข่ากเทีเดียวก็ทื่นหมดทั้งตระกูลลูกเขาก็ไปโรงเรียนไม่ได้อายเพื่อนเพื่อนหัวเราะพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไายชอกตายก็มีอะไรแต่ละเนี่ย การกระทำของคุณนี่คุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมประเทศจะเยอะเลยแบบนั้นแต่เราก็ชอบใจอย่างว่าเด็กคนนี้ก็ดีนะแต่ให้สัตปฏิญาณก่อนนะมีไนหะให้สัดปฏิญาณเอาไปลงข่าวกันคือเราอยากจะพูดมานานแล้วเนะี่ยพวกนี้มันมันเป็นการสร้างเงื่อนไขสังคมยอมรับแล้วคนก็กลัวเขามันธุรกิจธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะธุรกิจธรรมดาอะไรแล้วไม่ได้พิเศษอะไรเลย แล้วก็หากินบนความเดือดร้อนเสียหายของคนอื่นด้วยธุรกิจอื่นยังดีนะฮะยังดีอย่างน้อยก็ซื้อมาแล้วเศษมันก็ทำอะไรได้ซื้อพีบางทีเศษมันก็เหม็นหมึกทำอะไรไม่ได้เลยคนไม่ค่อยกล้าพูดกับเขานะฮะพูดก็ก็ดา่าก็ปัญหาที่ ท, ที่ที่ต้องการสะท้อนนะฮะที่ที่ที่ทรงเน้นในที่ดีก็คือจะเห็นว่า คนเรานั้นอย่าไปมองที่เขาเป็นอะไรแต่ให้มองที่เขาทำอะไรแล้วเขาก็เราจะยกย่องหรือจะตาหนิก็ดูเฉพาะที่เขากำทำนะฮะอย่าไปดูที่คนอื่นก็พูดเพราะคนพูดเนี่ยพูดด้วยความรักก็มีพูดด้วยความชังก็มีพูดด้วยความริษยาก็มีพูดตามจริงก็มีเกินจริงก็มี เราเห็นว่าถ้าเราพ like ูดถึงความดีของคนที่เราชอบดีนิดเดียวเราพูดไปเยอะเลยแต่พอพูดถึงความชั่วความดีของคนที่เราไม่ชอบดีตั้งเยอะเราพูดนิดเดียวกันพูดนิดเดียวกันก็แสดงว่าไม่ใช่จริงที่พูดในทั้งหมดพูดถึงความดีของคนที่เราชอบก็ไม่จริงพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบก็ไม่จริงเพราะคุณมีอคติแต่ถ้าเราดูตามที่เขาทาดีเราก็ดีตามที่เขาทาไม่ดีก็ไม่ดีตาม ตามที่เขาทํานั้นคือความจริงแต่ส่วนเราจะยกย่องหรือไม่ยกย่องอีกเรื่องหนึ่งไงนะฮะก็สําคัญว่าอย่าไปฟังคนอื่นเขามากเกินไปประเด็นตรงนี้ที่ทรงเน้นเนี่ยคืออย่าไปฟังคนอื่นและอย่าไปเดือดร้อนกับการการที่ถูกคนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมฮะอย่าไปเดือดร้อนกับการถูกคนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ความดีหรือความสุขหรือความทุกความดีความชัว่วเมื่อเกิดขึ้นในการการะทําของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่ เขาว่าเราทํำยังไงแต่มันเกิดขึ้นด้วยเราทํำยังไงเราประพฤติปฏิบัติอย่างไงเราคิดอย่างไงเราพูดอย่างไงเราทำอย่างไงนั้นคือสิง่งที่เรารับผิดชอบแต่คนอื่นเขาว่าในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาด่า จ, จนเป็นเป็นโคเป็นสัตว์นาดกเป็นอูดเป็นลาแบว่าเยอะแยะแต่พระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแต่ประการใดเลยนี้ก็คือหลัก ในการอยู่ภายในโลกแล้วก็สังคมเป็นแนวของชีวิตนะฮะเป็นวิถีชีวิตที่สะท้อนออกมาในรูปแบบตา่างๆจะปัดสูตรในวันนี้ก็ขออยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพูดในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคืน